สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการมานั่งล้อมวงฟังเรื่องราวชวนสยองขนหวนลุกนะคะวันนี้จะนําเสนอในส่วนของเรื่องที่ต้องบอกว่าแปลกพอสมควรค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะคะเป็นเรื่องของผีวัดโพแตงใต้วัดโพแตงต้นี่อยู่ที่อําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากวัดหนึ่งของจังหวัดอยุธยาในสมัยก่อนนะคะ วัดแห่งนี้เนี่ยมีกิติศัพท์ในเรื่องของผีดุขนาดว่าพระเนนยังไม่กล้าจำพรรษาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวัดโพแตงใต้นะคะไปได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเพียงแต่ว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าไม่รู้นะคะว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใครเป็นผู้สร้างซึ่งบางคนนะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์มากกว่า ซึ่งเอาเป็นว่าวัดโพแต่งใต้เนี่ยสร้างมานานกันลวกันนะคะวัดโพแต่งใต้มีพระเกจิชื่อดังอยู่รูปหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านทั่วไปให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านมากค่ะพระเกจิรูปนั้นก็คือหลวงปู่สดธรรมวโรนะคะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดโพแตงใต้นั่นเองแต่ว่าบางคนเรียกท่านว่าหลวงปู่สดตาทิพย์นะคะด้วยเหตุผลที่เรียกท่านเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีญาณพิเศษสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่า งงพอสมควรเพราะไม่รู้ว่าวัดโพแตงใต้อยู่ที่ใดเดินทางไปวัดได้อย่างไรแต่โชคดีนิดนึงนะคะที่บังเอิญไปเจอ ก, กันกับพนักงานร้านคอมเขาก็แบบเป็นคนอยุธยานะคะแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ข้างๆวัดโพแตงใต้พอดีเรื่องที่ว่ายากมันก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะก็เลยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปที่วัดโพแตงใต้แล้วก็ใช้เวลาราวๆชั่วโมงน ะ, ะเมื่อเดินทางมาถึงน้องคนนี้เนี่ยก็ได้พาไปที่บ้านญาติ คนหนึ่งซึ่งเขามีศักเป็นลุงแท้ๆของน้องคนนี้นะคะชื่อว่าลุงบุญช่วยสุขสาขาแม้ว่าจะมีอายุสัก80ปีเศษๆแล้วแต่ว่าสุขภาพร่างกายของลุงเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ายังแข็งแรงหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นนี้อายกันเลยทีเดียวนะคะคุณลุง ม, มองหน้ามาแล้วก็หัวเราะค่ะบอกผีที่วัดโพแตงใต้บอกว่าดุเฉยๆไม่ได้ต้องบอกว่าดุมากถึงจะถูก คำตอบของลุงบุญช่วยค่ะทําเอาให้มีความรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีคนอายุปูณ น, นี้แล้วมีความเชื่อมั่นว่าคงจะไม่กุ่เรื่องหรอกนะคะหรือว่าเป็นพวกปั้นน้ําเป็นตัวอย่างแน่นอนคุณลุงเคยเจอกับตัวเองหรือเปล่าก็เลยพยายามถามคุณลุงคุณยงก็พยักหน้าตอบช้าๆ้านะคะซึ่งมันก็เป็นการพอเพียงแล้วละ่ะไม่ต้องเอ่ยคำหรือว่ามีเสียงอะไรออกมาจากปากของคุณลุงเลยนะคะเพียงแค่พยักหน้าจบ ตามธรรนียมคนต่างจังหวัดนะคะแม้ว่าไม่มีความคุ้นเคยกันมาก่อนก็ตามแต่ว่าเมื่อแขกไปไทยมาถึงบ้านเจ้าของบ้านก็ต้องให้การต้อนรับขับสู้จัดหาข้าวปลาอาหารไว้ให้กินน่ารักมากนะคะซึ่งทําให้ประหยัดงบค่าอาหารไปมื้อหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคุณลุงบุญช่วยท่านได้พาไปวัดค่ะซึ่งอยู่ห่างไม่ห่างจากบ้านของของคุณลุงเท่าไหร่นักนะคะพอขึ้นไปก็ไปไหว้หลวงปู่สดนะคะแล้วลุงก็มาเล่าให้ฟังในเรื่องของ ผีที่วัดโพแต่งใต้ว่ามีเฮี้ยนขนาดไหนบนศาลากา ร, รเรียนของวัดจะมีรูปหล่อของหลวงปู่สดแต่ว่าด้านหลังของรูปหล่อเนี่ยมีสังขารของหลวงปู่สดนอนอยู่ในโลงแก้วนะคะพอไหว้รูปหล่อของหลวงปู่เสร็จก็ควรจะไปดูร่างของท่านที่อยู่ในโลงด้วยนะเสียวไม่ต้องไปหลวงก็บอกเอาน่าเอาน่ะไปดูสักหน่อยนึง คือท่านล่าสังขารมานานแล้วแต่เป็นเรื่องที่ประหลาดคือเนื้อหนังมังสาของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยแถมฟันแล้วก็เส้นผมก็งอกยาวขึ้นเรื่อยเรื่อเรียกว่าหากสังขารของหลวงปู่สดไม่ได้ฉีดยานะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยทีเดียวจากนั้นคุณลุงก็พาเดินไปที่ศาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆสาาการปรเรียน ลุงก็บอกว่าเนี่ยเป็นสารของเจ้าแม่ดําพึงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีกิติศัพท์ในเรื่อ ง, องความเฮี้ยนขนาดว่ากลางวันแสกแสบยังอุ้มลูกออกมาเดินพระเนรนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขซึ่งตอนนั้นลุงยังเป็นหนุ่มนะคะเด็กอ่าเป็นเป็นเด็กหนุ่มวัยกําลังซ่าว่าองนั้นเถอะคือพอรู้ว่าที่นี่ผีดูุก็เลยชวนพวกเพื่อนๆมาลองของกันเอามุ้งมานอนหน้าสารกับเพื่อนเื่อนก็อยากรู้นะคะถามมาไปเจออะไรหรือเปล่าคะลุงลุงเขาบอกเจอเต็มเต็มเลยแหละ ตอนนั้นเราตีหนึ่งลุงกําลังเ ค, เคลิ้มๆจนจะหลับอยู่แล้วก็มีเสียงคนเดินมาที่หัวนอนคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเด็กวดัดแกล้งทําเป็นผีมาหลอกลุงตอนนั้นก็รอจังหวะให้มันเดินมาใกล้ๆในมือก็เตรียมอีดาบยาวเท่าแขนไวล้ละกะว่าจะฟันใน ห, หัวแปะพอเสียงเดินมาหยุดที่หัวนอนปุ๊บลุงก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็ตลบมุงเงื้อดาบสุดแขนแล้วก็ฟันทันทีเลยใช่ไหมคะนี่ถามลุงลุงบอกแทบช็อกพอลุงเปิดมุงเข้าไปเจอจระจะเต็มเต็ ม, ต, มตาเลย เป็นผู้หญิงผมยาวหน้าบวมฉึงมันก็ศพเราดีๆนี้เองแหละลุงบอกพยายามรวบรวมสติและพูดด้วยเสียงดังว่ามึงจะลองกับกูอย่างนั้นใช่ไหมอีทีบ้าลุงเห็นมันทำท่าจะโผลเข้ามาบีบคอลุงก็เลยตัดสินใจฟันที่คอสุดแรงเหมือนลุงบอกเหมือนเล่าฟันอากาศแรงที่เหวี่ยงดาบออกไปเนี่ยคือมันทำให้ให้คุณลุงเสียหลักถลาลมไม่เป็นท่าเสียงเ อ, อะอะทาให้เพื่อนๆของลุงตื่นขึ้นมามาในวัดมันก็แหมเนาะ มีผีที่ไนต้องมีหมาที่นั่นเลยมาหอนนี่หมามันก็หอนกันเกลียวกราวนะคุณผู้ฟังเพื่อนบอกลุงว่าเห็นลุงฟันอะไรวืดวาดวืดวาดแต่มองไม่เห็นว่าฟันอะไรลุงก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าพวกกล่าว่าลุงฟันอะไรพอเล่าจบแค่นั้นแหละเพื่อนนึงก็ทําท่าตกใจแล้วก็ชี้ไปที่เมนเผาศพคนอื่นก็เลยมองตามลุงบอกว่าเห็นผู้หญิงคนเดิมค่ะ แต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปนั่งอุ้มลูกอยู่บนเมนเทผาศพคือตอนนั้นถอดใจไม่เอาอีกแล้วลุงกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลยนอนจับไข้กันอยู่หลายวันพ่อแม่ต้องพามารถน้ำมนต์ที่วัดแล้วก็ไปขอขมาเจ้าแม่รำพึงที่ได้ล่วงเกินลบหลู่อาการของลุงกับเพื่อนๆนก็เลยเริ่มดีขึ้นจากนั้นก็เมกล้าลุงบอกไม่กล้าไม่กล้าคิดจะลองดีหรือว่าไม่กล้าคิดจะทดลองอะไรอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ลุงเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องแรกเท่านั้นนะแต่ชาวบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่เนี่ย แถวนั้นเขาก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ก่อนวัดโพแตงใต้มีความสุขดีนะสงบไม่มีเรื่องผีไม่มีเรื่องสางเลยคือจนกระทั่งของมีศพของสาวท้องแก่ที่ชื่อว่าราพึงมาเผาที่วัดอาถรรพ์ต่างๆมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นความผิดพลาดของสั ป, ปเหร่ที่ชื่อว่าลุงผลแต่ผลมันเพี้ยน ชอบทําอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยผีสีตาศพคนท้องตายทั้งกลมมีใครเผารวมกันบ้างแต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเผารวมกันได้หากมีอะไรเกิดขึ้นตะผลรับผิดชอบเองขนาดหลวงพ่อมาห้ามก็ยังไม่เชื่อเลยลุงเขาเล่าให้ฟังนะคะคือลุงบอกว่าจําได้ว่าศพเผาตอนเย็นคืนนั้นผีก็เหียนทันทีเลยพระองค์หนึ่งลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกถูกผีตายท้องกลมเนี่ยหลอกจนหมดสติจากนั้นพระที่จำพรรษาในวัดก็เริ่มสึกออกไป วัดที่มีพระอยู่เยอะแยะเหลือเพียงไม่กี่องค์ค่ะแทบจะเป็นวัดร้างกันเลยทีเดียวแล้วที่ลุงผลแกบอกว่าแกจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะบอกว่าลุงผลเนี่ยเขาดูเรื่องที่จะเอาผีไปถ่วงน้ําขณะที่แกนั่งเรือตามแม่น้ําปรากฏว่าเรือแกเกิดล่มแกก็เป็นคนไหายน้ำแข็งแต่ก็ไม่มีใครพบศพของแกนะคือ คือแกจมน้ำอะ่ะคือให้เดากันว่าแกจมน้ําตายแต่ก็มีคนพูดกันว่าแกถูกจระเข้ฆ่าไปกินละเพราะว่าตอนที่เรือล่มนะคะคุณดูฟังมีคนเห็นว่ามีจระเข้ตัวใหญ่มันหนุนเรือของแกผีของแม่ดําพึงถึงมาสงบเพราะหลวงปู่สดนั่นเองเพราะตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดตอนนั้นเนี่ยผีของนางลาพึงกําลังขนองท่านก็ทําพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณอยู่คืนหนึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นผีของนางลําพึงอีกเลยคือท่านบอกว่า ต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมสูงมากท่านมีตาทิพย์และท่านเองก็ยังดูดวงได้มแม่นยำอีกด้วยหากว่าท่านทำนายว่าไอ้คนนี้จะต้องตายโหงเจ็ดวันหากไม่รีบมาสเสด็ะเคราะห์รับรองว่าไม่เกินเจ็ดวันจองสาราวัดไว้ได้เลยวันหนึ่งเต็มๆกับการพูดคุยกับชาวบ้านวัดโพแตงใต้นะคะยังไม่จุใจค่ะ ทำให้ต้องบอกกับตัวเองว่าแหมสักวันนึงจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนพร้อมกับการบันทึกเอาเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรียกว่าเป็นรายการเล็กๆนั่นเองนะคะอันละนี่ก็เป็นเรื่องราวสยองๆเบาๆนะคะเป็นเรื่องของผีวัดโพแตลงใต้ใครที่รู้จักวัดนี้หรือว่ามีข้อมูลวัดนี้นะคะอย่าลืมค่ะมันร่วมแชร์ประสบการณ์กันเยอะๆนะคะในเพจพระเจอผีและยูทูบชาแนลพระเจอผีนั่นเองค่ะ